วันนี้ได้มีโอกาสอยู่วัดได้แสดงความยินดีชื่นชมต่อลุกศิษย์ลูกหาที่พากันประพฤตปฏิบัติตั้งอยู่ในความสงบรังงับด้วยดีทั้งผู้ นุ่งเหลืองห่มเหลืองและผู้นุ่งขาวห่มขาวก็ตั้งจะได้ความสงบระงับหรือว่ามันจะเป็นคลื่นใต้น้ําก็ไม่รู้หรอกแล้วนะอืมอย่าให้เป็นคลื่นใต้น้ํำนะสงบต้องให้สงบทั้งภายนอกทั้งภายในเจริง เรื่องเรียกว่าเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมไปเก็บเอาอารมณ์อันขุนมัวเศ้ามองไว้ในใจเช่นนั้นไม่ไม่ถูกต้องเป็นความประมาทผู้มาอยู่ในวัดป่าอารามมันควรจะทำละทนให้ผ่องใสอยู่เสมอทำใจให้ดีอยู่เสมอ อย่าให้มีใจร้ายอย่าให้เป็นคนเจ้าทุกข์ไปวิตกวิจารณคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วกลุ้มใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะให้พากันเข้าใจบรรดาความคิดทั้งหลายนะถ้าจะเก็บออกมาคิดแล้วมันไม่อดไปอยากละเรื่องที่จะคิด ในโลกอันนี้นะบางทีก็ผ่านมาทางตาเป็นเหตุให้วิตตวิจารหรือบางอย่างก็ผ่านมาทางหูได้ยินเสียงเขาแล้วก็เสียงนั่นเป็นเสียงน่าพอใจเสียงไม่น่าพอใจบางทีก็ผ่านมาทางจมูก สูดกลิ่นเหม็นบ้างหอมบ้างที่ก็ผ่านมาทางลิน้นวันนี้รับทานอาหารไม่ค่อยมีรสอาหารไม่ถูกปากถูกคอก็ไม่ค่อยสบายใจวันใดอาหารมีรส ถ, ถูกปากอร่อยดีหวัดดีอกดีใจวันนี้ทานข้าวอร่อยดี อย่าให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นแม้อาหารมันจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็เรื่องของมันเราจะหาเอามาให้มันได้ดังใจหวังทุกวันไปไม่ได้ของในโลกอันนี้อันนึ้เสีย ว, ว่าเรารับประทานพอประทังชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติธรรม ทำละตนให้หมดจดเท่านั้นพอแล้วอย่าไปนึ ก, กว่าจะรับประทานเพื่อเอารสเอาชาติของมันคนแก่ก็ยิ่งแล้วเลยต้น อ, อาหารนี่ไม่ไม่เป็นท่าแล้วื ม, ม่เหมือนยังหนุ่มเลยนี่ฝืนว่ากันไปอย่างนั้นแหละ ก็เมื่อไม่ฉันร่างกายมันก็จะชุดโทมไปมันก็จะแตกดับโดยเร็วและมันก็ผิดกฎธรรมดาอันนี้แล้วก็ค่มใจฉันไปอย่างนั้นนะ ของบางอย่างก็มีรถถูกปากบ้างบางอย่างก็ไม่ถูกปกักก่อนแล้วไปอืไม่บ่นไม่ว่าเนี่ยบางอานก็ผ่านมาทางกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อมันร้อนจัดก็บุ่นไวเราจิตใจอืมวันนี้ร้อนมากอ่ะ ไม่ไหวจริงๆเพราว่าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ร้อนอืมก็ต้องอดทอนนะเพราะเราเกิดมาอาศัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอยู่เนี้ยบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็หนาวจัดบางทีก็พอดีพอดีก็มันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็รู้เท่ามันไปตามธรรมดาอย่างนี้แหละ ไม่ต้องปล่อยจิตให้กระวนกระวายอันนี้แหละอารมณ์เหล่านี้เองแหละเป็นเหตุให้คนเราเนะ่ะดวงจิตนี่นะวิตกวิจารให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจความโกรธเกลียดความรักความใคร่อะไรต่างๆนี้มันก็ เนื่องจากว่าจิตมันหลงอารมณ์เหล่านี้เองอมหลงอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะดังนั้นนะ่ะการภาวนาหรือการพิจารณาเราต้องพิจารณาให้รอบคบอืมพิจารณาตาหูจมูกลกิ้นกายใจเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ ให้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งมวลเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่วิบัติไม่แ ป, ปรปลวนอันนี้ก็เพาะมันไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไป ทำยังไงจิตมันจะรู้เท่ามันจะไม่วันไวกับตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกับอารมณ์ทั้งห้านั้นเพราะอารมณ์ทั้งห้านั้นเมื่อผ่านเข้ามาทางตาแล้วมันก็ร่วงเข้าไปหืถึงจิตเหมือนกันหมดเลย เงนั้นดันั้นต้องมีสติปัญญารู้เท่าทั น, นอารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกทางตาเมื่อมันยังไม่ร่วงเข้าไปถึงจิตมันก็ไม่มีปัญหาอะไร น, นี่เมื่อมันร่วงรู้เข้าไปถึงจิต เมื่อใดนั้นะมันจงเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าเปิดประตูให้แม้ตัวนี้ออกบ้างไว้มันยังเกิดเป็นปัญหาขึ้นดังนั้นเราต้องเข้าใจอันจิตใจนี่มันก็มาหลงวนอยู่กับนี่แหละ ลองสังเกตดูแต่ละวันแต่ละคืนหลงอยู่นี่เองนะถ้าเราใช้ดุลยพยินิษฐ์เจรณาให้มันเห็นชัดลงไปตามเป็นจริงแล้วสรุปผลสุดท้ายว่าสิ่งทงั้งมวลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จิตที่จะต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านี้เพราะจิตหวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านี้เนะ่ยมันจึงเป็นทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้มันรู้อย่างนี้สอนจิตนี้เข้าไปเมื่อจิตนี้มันรู้ตามเป็นจริงอยู่นะั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวอ ธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นมันถ้าเกิดมันถักแปรปวนไปอยู่ตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นจิตมีหน้าที่รู้เท่าดูอยู่รู้แจ้งอยู่ไม่ใช่วันไหวเพียงแต่กําหนดรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละอันตัวงจิตนี่นะมีหน้าที่รู้แจ้งแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรม มันหากไม่รู้แจ้งได้มันก็มาสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่อย่างนั้นเหตุนั้นมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละดังนั้นก็ขอยพากันเข้าใจความรู้อันนี้นะต้องรักษาเมื่อ เราทาให้เกิดขึ้นในจิตแล้วต้องพยายามรักษาความรู้อันนี้ไว้ให้มันสม่ำเสมอไปอย่าให้มันขาดตกบกพร่องแต่ต้องมันพิจารณานะมันจึงรู้ยิ่งขึ้นไปถ้าไม่มันพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งเมื่อมันไม่รู้จริงมันก็ไม่เห็นจริง เรื่องมันนะเมื่อมันไม่เห็นจริงดำไม่จริงมันก็ไม่ปรงไม่ว่างอย่างนี้แหละ <c oughs> ดังนั้นว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึกถอนจิตนี่นะฝึกให้มันตั้งมั่นเสียก่อนอย่เพิ่งคิดอะไรต่ออะไรก่อนเพ่งความรู้อันนี้ให้มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ ให้ได้แล้วก็รู้รู้ว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงคิดจึงพิจารณามเมื่อมันตั้งมั่นด้วยดีแล้วการพิจารณามันก็เห็นแจ้งไปได้มันก็หายสงสัยเรื่องมันนะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่นี่แหละสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่นะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะไอสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็เลี่ยงไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่ได้ไมาถึงอยู่เบื้องหน้ามันก็ยังไม่ได้ไมาถึงดังนั้นทรงสอนให้พิจารณาความรู้สึกหรือคิดความจำความหมายอันเป็นปัจจุบันนี่ ให้รู้ชัดตามเป็นจริงเมื่อรู้สภาวะธาตุสภาวะธรรมอันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วรู้ตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นโดยอุปาทานแล้วเอเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็ไม่ถือมั่นเหมือนกันอืมมันก็ไม่ถือมัน่นมันก็อันเดียวกัน เป็นของเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแจกดับไปเหมือนกันหมดหั้งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีทั้งที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไปถึงมันก็รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิน้นกายใจอันเกา่าไปอนาคตเบื้องหน้าก็ดีอย่างนั้นเราต้องเพ่งวินาะรู้แจ้งในปัจจุบันนี่แล้วมันก็หายสงสัยเลยเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังก็หายสงสัย ออืเมื่อหายสงสัยแนละ้วมันก็ไม่ถือมั่นเท่านั้นเองนะออืเห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินได้สูดดมก็สักว่าแต่ได้สูดดมได้ริมรถก็สักแต่ว่าริมรถได้สัมผัสเย็นร้อนออนแข็งก็สักว่าแต่ได้สัมผัส เป็นแต่สัตว์ว่านะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรสภาวะทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะก็ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งนะั้นมันสบายใจอืมมันสบายใจร่างกายไม่สบายก็สร้างมันพอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะ จะให้มันเที่ยงยัางยืนจะมันสบายสม่ำเสมอไปตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เลยเพราะขอไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ยักย้ายผันแปรไปอยู่เนี้ย่างนั้นจิตที่เราฝึกขนให้สงบระงับจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้แหละที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นะ อย่าไปเพ่งเลงถึงเรื่องอนาคตรเรื่องอดีตอันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความปล่อยวางอืมถ้าเรามารู้แจ้งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันปล่อยวางได้อืมรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ปล่อยวางแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆ พิจาราเรื่อยๆไม่ใช่พิจารณาเห็นแล้วแล้วไปเลยไม่คำนึงถึงมันอีกอย่างนี้ไม่ใช่นะกระของเก่านั่นแหละพิจารณาทีไดก็ดีแต่เมื่อพิจารณาบางๆเข้าไปแล้วจิตมันรู้ยิ่งขึ้นหมายเขาว่าอย่างนั้นเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นแล้วมันก็ไม่ยินดียินไา่กับอะไรแล้วปอนี้ พราะว่าเห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดธรรมดาเกิดธรรมดาแปกพวนแตกดับอืมธรรมดาเหล่านี้นะ่ะมันมีอยู่ประจําโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าจิตที่ไม่มีปัญญามันถึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มันยังจะไปสําคัญว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตอนสาคัญว่าสวยว่างามว่าขี่ร้ายมันก็ชอบเล่นไปตามสมมติของโลกอยู่นั่นนะหลอจิตที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้ยิ่งนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสงสัยเลยการพิจารณาการปฏิบัตินี่นะของเก่าแต่เราพิจารณาไม่ถอย เมื่อพิจาราไม่ถอยความรู้มันก็ยิ่งขึ้นความรู้ความเห็นมันก็ยิ่งขึ้นเหมือนอย่างไฟอย่างนี้นะเมื่อเอาเชื้อไฟเอาไม้แห้งเอาใไบไม้แห้งเข้าใต่มันก็ลุกโพรงขึ้นถ้าใกล้ๆมันจะดับลงก็เอาไม้แห้งมาใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกโพรงขึ้นอีก อยู่นั้นสว่างอยู่นั่นถ้าหมดเชื้อมันลงไปเมื่อใดแล้วมันก็วูบลงมันก็ดับลงมันก็มอดลงไปเรื่อยๆไปนั่นเนะองอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยความรู้ความเห็นในจิตใจนี่ถ้าบุคคลยังไม่บรรลุถึงฝั่งนูน้นคือพระนิพพานแล้วนะการพิจารณาอะไรไปนี่มันก็ต้อง ยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่ได้ถ้างดพิจารณาลงไปเมื่อไรไอ้ความรู้ความเห็นมันก็หดตัวเข้ามันก็ถอยออกไปมันก็นลิบหลี่ลงไปเหมือนไฟป่าจะจักเชื้ออ่อันนี้เหละให้พึ่งพากันสันนิษฐานให้เข้าใจอืม พระพทธเจ้ายังใน้สอนให้ทำให้มากจะเรินให้มากจะเป็นไปเพื่อความนิพพิทาความเบื่อหน่ายจะเป็นไปเพื่อความคลายคำหนาดยินดีจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งจะเป็นไปเพื่อความเห็นจริงจะเป็นไปเพื่อความดับไม่มีเชื้อเหลือ เป็นไปเพื่อ น, นิพพานอ่ามนันเป็นลำดับกันไปอย่างนี้การปฏิบัติจิตใจมันจะเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนี้ทีแรกนี่ก็พิจารณาไปจนให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอ่าเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็จะไม่คลายความกำหนัดยินดี อันนั้นไปดังนั้นในอันดับแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาให้จนเห็นเหตุเห็นผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของน่าเบื่อหน้าหนไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยหมายถึงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งมวล น, นี้เองเมื่อเห็นร่างกายนี่ เป็นสิ่งที่ไม่น่าเพิดเพลินเพราะ อ, อกก็ใจแ ล, แล้วอย่างนี้นะอันสิ่งแวดล้อมร่างกายอันนี้อยู่นี่มันก็เหมือนกันนะไม่น่าเพิดเพลินยินดีอะไรเลยเพราะเป็นของแต่ของหลับเหมือนกันหมดดังนั้นนะความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราจึงต้องพิจารณาความจริงอันที่มันมีอยู่แล้วนี่แนหะ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ก็รู้อยู่ทุกคนนะความไม่เที่ยงของร่างกายทั้งขารอย่างนี้นะมันก็มันก็แสดงบทบาทแห่งความไม่เที่ยงให้จิตรู้จิตเห็นอยู่นั่นนะออแต่ว่าจิตที่ไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะ่ะถ้าจิตที่ฝึกฝนให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นเบิกบานผ่งใส แล้ววันนี้ปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็เชื่อวันนี้เชื่อปัญญาเห็นตามปัญญาแล้วก็เกิดติปิธาเบื่อหน่ายขึ้นมาทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมในวัดวาสสนานี่เข้าใจว่าก็คงเกิดความรู้สึกนี้เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี่ มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างๆเหตุนั้นจึงได้หมุนตัวเข้าวัดกว่าอารามถ้าหากว่าไม่มองดูโลกภายนอกอนั้นยังเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนุกสนานอยู่อย่างนี้ไม่มันไม่ได้หมุนตัวเข้ามาในวัดเรกคนเรานะ่ะมันเป็นอย่างนั้น คนที่ไม่ได้หมุนตัวเข้ามาสู่วัดวาอารามมาฝึกตนอย่างทํากันอยู่นี่นะมันก็เนื่องมาแต่มันไม่เบื่อไม่ไน่ายมันยังไปยินดีกับสิ่งที่ให้ความสุขชั่วคราวอยู่เรื่องมันนะอืมมันมีสิ่งที่มันให้ความสุขชั่วคราวก็มีอยู่ในโลกนี้เช่นได้กินอิม่ม มันก็ให้ความสุขถูกชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้นะได้นอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขสบายดีอย่างนี้แหละ้างเงินหาทองทำการค้าการข า, าขายมีกำไรงามๆัวนี่ก็ทำให้จิตชื่นชมยินดีในผลงานของตัวเองที่ทำ การได้ดูภา พ, พยนตร์กลไกต่างๆดูโทรทัศน์ดูเขาพ่นล้ำขับร้องดีสีตีเป่าอะไรวันี่มันก็ทำให้จิตล่าเริงบันทังก็เป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งมนุษย์ส่วนหลายคนมาติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในมันต้องรู้มดต้องพิจารณาให้รู้ แจ้งในเรื่องเหล่านี้เลยจนไม่สงสัยอืมพิจารณาเอาจนไม่สงสัยไม่สงสัยว่ามันจะมีความสุขอย่างที่จิตหลงไหลไปหมายความาอย่างนั้นมันเป็นเหยื่อรอดให้ติดอยู่ในทุกสังหาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนพานเบ็ดเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงในน้ํา ปลาเห็นว่าเป็นเหยื่ออันบริสุทธิ์ก็ไหว่แบกไหว้เข้ามามางับเอาเหยื่อที่เกี่ยวอยู่กับเบ็ดนั้นแล้วก็สะบัดนึกว่าจะหนีไปพอสะบัดทนันี้เบ็ดมันก็กาะเอาปากไปแล้วดีท์ยังไงก็ไม่หลุดเลยอันนี้อุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นน่ย ความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั่นนะมันก็นล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เพราะว่าได้รับความสุขชั่วคราวนั้นมาแล้วบัด น, นี้เมื่อความสุขชั่วคราวนั้นมันหายไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแทนไปเพลิดเพลินมัวเมาใช้จ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยเพื่อความสนุกสนานอย่างนั้น อันนี้ตัวมีเงินน้อยไม่มากอันนี้พอเงินหมดลงท่านนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเนี่ยเรียกว่าความสุขอันนี้ท่านเรียกว่าอามิตรสุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื <that> ่อวัตถุส <noise> <what> ิ like ่งของเหล่านั้นสูญหายไปหมดไปความสุขเหล่านี้ก็หมดไปเหมือนกันเราต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในเรื่องหวดนี้อือบ เมื่อผู้ใดพี่นารู้แจ้งไลนะมันก็ไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเอานอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็เตือนตอนนะเอาตอนมีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้เวลาตื่นขึ้นมานี่ก็ดีโขแล้วเดี๋ยวมันตายทั้งหลับทั้งฝนะันแล้วจะว่าไงฮะเตือนตอนนะให้รีบนั่งภาวนาเข้าไปเพจรณาถึงสังขาร น, นามรูปนี้มันจะแตกจะดับ เมื่อไรไม่มีใครบอกให้รู้เลยดังนั้นเราต้องปรงุงต้องวางไปแต่เนิ่นเน่นมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้คันเมื่อคำว่าปรุงว่าวางก็หมายความว่าไม่วิตกไม่วิจารต่อไปอีกทำใจเป็นอุเบกขาญาณสม ย, ยุตคืออุเบกขาพร้อมด้วยปัญญาญาณ รู้เท่าสังขารอันไม่เที่ยงไว้ยังยืนอยู่นั้นเป็นธรรมดาจิตเป็นกลางแล้วก็รู้เท่าของสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้อย่างยืนเหล่านั้นไปพร้อมกันกับทำจิตให้เป็นกลางท่านเรียกว่าอุเบกขา ญ, ญาณสัมยุตอันนี่แหละคาว่าอุเบกขานี่นะมันต้องให้เข้าใจเมื่อเราทําใจเป็นอุเบกขาแล้ว ก็สังเกตดูซิว่าใจนี่มันรู้เท่าสังขารไหมหรือมันเฉยๆอยู่เฉยๆพอมนเวลาสังขารมีบาดแปลปนไปมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเช่นนี้ได้ชื่อว่าอุเบกขาเฉยๆไม่ประกอบไปด้วยปัญญายานมมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อุเบกขาอย่างนั้น่ะ ฉะนั้นก่อนที่จะทําใจเป็นอุเบกขาเราต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่เนี่ยให้รู้แจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งืั้งมวลเหล่านี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะมันไม่เที่ยงถ้าจิตนี่ไปยึดถือของไม่เที่ยงเข้าเมื่อขอไม่เที่ยงมันวิบัติแปโผล่ไปจิตก็แปลไปตามเป็นทุกข์ไปตาม อย่างนั้นจึงไม่ควรยึดถือ่อใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจเข้าไปอย่างนี้จนใจมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างว่าแล้มันวางเฉยลงไปได้พร้อมด้วยความรู้ความเห็นอันนี้ปรากฏแจมมอยู่ในใจนั่นแหละใช้ได้แบบนี้นะอืถูกทางแต่ว่ามันไม่ใช่มันหลุดพ้นไปแล้วทีเดียวนะ ถึงจิตเป็นอุเบกขาอย่างนั้นก็ตามถ้าอินทร์บารมียังอ่อนอยู่ปัญญาอันไ้ก็ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็อุเบกขาอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยสักหน่อยเดียวมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็แปรจากอุเบกขา